นั้นถ้าเห็นใครแล้วนะนึกโดยความเป็นมหาพูดนี้อย่างนึกไม่ออกจะกล่าวปลายยถึงเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเพราะปกติสัตว์ทั้งหลายที่เหมือนรู้ขันอื่นๆเนี่ยรู้ด้วยสัญชาตญาณรู้ด้วยรู้ด้วยจิตวิญญาณทั่วไปแต่ไม่ได้รู้ด้วยการการพิจารณาอะไรเนี่ยนะเช่นเสียใจมาครั้งหนึ่งเออนี่เสียใจ ดีใจมาครั้งหนึ่งเออดีใจโกรธครั้งหนึ่งเอโกรธนี้ศรัทธาครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่เพียงพอที่เรียกว่าทำปริญญาอะไรฉะ น, นั้นถ้าทำปริญญาเนี่ยถ้าเอาเป็นการเป็นงานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังเป็นเป็นสาระเนี่ยไอการประพฤติอย่างนี้เรียกว่าพรหมจารีการประพฤติอันประเสริฐเนี่ยนะถ้าประพฤติให้ให้เป็นพรหมจาร์หรือพรหมจารยะเนี่ยอันนี้ที่สุดหยาบที่สุดคือการพิจารณาเรื่อง เรื่องรูปถ้าพิจารณารูปได้ได้ดีเนี่ยนะบางพวกพิจารณาแล้วได้อยู่ ส, สามกลุ่มใหญ่ๆนะเพื่อที่พิจารณาปฐวีอาโปโตเตโชและวายโยเนี่ยสามพวกใหญ่ๆพวกที่หนึ่งพิจารณาแล้วเห็นปฏิกูลพวกที่สองพิจารณาแล้วเห็นโดยความเป็นธาตุพวกที่สามพิจารณาเห็นแล้วต่อด้วยกรสินเห็นไห แบ่งเป็นสามกลุ่มด้วยกันผู้ที่ พ, พี่ที่เห็นและพิจารณาอย่างนี้ต่อไปได้เนี่ยนะพระในพระไตรปิฎกอย่างเช่นธาตุวิพังกสุเนี่ยนะที่ผู้การอ่านมาเนี่ยพระองค์จะพูดธาตุสี่ใช่ไหมอากาศาธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยวิญญาณธาตุอธิบายเป็นอรุเป็นเป็นฌานไปเลยเป็นฌานชั้นสูงแล้วต่อด้วยอากาศสานัญญาตนะเพราะอะไรเพราะแสดงรูปเหล่านี้โดย โดยกสินถ้าโดยปฏิกูลนี่ได้ปฐมฌานอนะโดยถ้าเป็นอุปจาระไหมเป็นคณิกะอย่างเดียวไม่ได้อุปจาระเ อ, อถ้าถ้าอย่างสูงยิงๆได้อุปจาระแต่ถ้าโดยทั่วๆไปโดยมากนะก็เป็นคณิกะและก็อุปจาระถ้าเป็นกสิเ น, นี่ได้ฌานสี่เนี่ยนะมันมันก็จะต่อด้วยด้วยอย่างนี้ ทีนี้ในบรรดารูปเหล่านั้นเนี่ยนะบางพวกเนี่ยรูปเหล่านี้เนี่ยทวนอีกครั้งนะรูปเหล่านี้เนี่ยโดยรวมๆแล้วเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส อ, อย่าลืมว่าหลักการพิจารณาเนี่ยนะรูปที่ที่ควรแก่การพิจารณ า, เ, าเพื่อจะละกิเลสก็คือปีรูปสาตรูปใช่ห รูปอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจเนี่ยรูปอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจนึกถึงแล้วก็โดยมากโสมนัสเลยใช่ไหมสมมติว่าชอบลูกอย่างนั้นนึกถึงลูกก็ดีใจเลยเนี่ยเขามาเคยมีเพื่อนบางคนเนี่ยไม่ใช่เพื่อนผู้หญิงนะเพื่อนผู้ชายนึกถึงแล้วเออนึกถึงแล้วยิ้มเลยเั่นมนโสมนัสเลยะนะนึกถึงแล้วก็คือคือปกติชอบคุยเรื่องขำๆด้วยกัน ชอบคุยสนุกด้วยกันเนี่ยเพลินเพินเนี่ยนึกถึงตั๊บยิ้มเลยนี่นะแต่ถ้าบางอย่างไยบางอย่างนึกแล้วเป็นไงโทรมนัดเลยเช่นนึกถึงญาติบางคนนี่นะนึกแล้วโทรมนัดเลยยมพ่อเนี่ยใยกับเพื่อนนะนึกแล้วไม่ค่อยโสมนัดโทรมนัดถ้าส่วนใหญ่เมื่อไหร่จะแจวๆวันนี้บ้างก็ไม่รู้ คนอื่นไปถึงไหนถึงไหนกันหมดแล้วยมพ่อ อ, อยู่นั่นแหละคุยแต่เรื่องบุหรีไม่มีเลือกรานะ <c oughs> คําว่าใครพูดถึงยมพ่อก็คุยเรื่องอะไรมากบอกเรื่องบุรีก็ <c oughs> แต่ละคนก็ไปบอกว่ายมพ่อต้องเลิกบุหรีให้ได้นะอา้าวเวลาได้ยินเขาบอกว่าเป็นไงวันนี้ลถไปกี่มวนแะล้วกระถาที่เป็นไปกับเรื่องยมพ่อมากก็บุรีอ <c oughs> าจารย์นึกถึงยมพ่อแล้วเป็นโทมานัทเลยอ่าส่วนใหญ่เป็นโทมนัทนี่ยนะไม่ค่อยโสมนัท แต่ถ้าเป็นทั่วๆไปเลยโดยมากก็อุเบกขาพาะรูปพวกนี้ผมคนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูก่า4สี่นี้เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาอันนี้นี่ถ้าพูดถึงแบบไม่เจริญกรรมฐานอะไรเลยเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วนะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเวลานึกถึงแล้วก็โสมนัสโทมนัสอุเบกขามันก็มีอยู่สามอย่างเท่านั้นทีนี้ถ้า ถ้ามาเจริญเอาเอาสิ่งเหล่าเนี้ยมาเป็นที่ตั้งแห่งกรรมฐานนะเอามาเป็นที่ตั้งแห่งกรรมฐานยันแดงจําไว้นะเดี๋ยวตอบแล้วที่ถามอะที่ถามถามว่าไงนะเมื่อกี้ เ, เนี่ยเดี๋ยวจนะําไว้นะเพราะปฐวีธาตุอาโปธาตเตโชธาที่เรียกว่าเราให้ความสํนะคาสคัญกับทั่วๆไปนะให้ความสําคัญกับที่ สีนะเป็นเบื้องหลักจริงๆเพราะว่าถ้าสีพวกนี้เปลี่ยนไปเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะสีเนี่ยสีผิวหรือสีผิวหนังเนี่ยนะมันมันบานขึ้นนะอะไรจะเกิดถ้ามันหุบลงเลยอะไรจะเกิดสีหน้าเนี่ยนะถ้าถ้าใครสังเกตไหเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็บึง้งเดี๋ยวก็บูดเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็บึง้งเดี๋ยวก็บูดเดี๋ยวก็เฉยก็ก็มีสีหน้ามันก็มีอยู่เท่านั้นน่ะนะเขาบอกอะไรนะสีเนี่ยมันประกาศความถึงฮัทไทยใช่ไหม กระว่าประกาศถึงฮะไทยถ้าว่าจิตเป็นสมุทฐานนี่ดูได้จากจากสีเนี่ยนะเพราะนั้นสมมุติถ้าสีหน้าของเขาโทมนัสเราจะโสง ม, มนัทไหมโทมนัสกับโทมนัสมันจะใกล้กันเห็นว่าหน้าบึ้งมาเอ๊เราก็อยากบึ้งด้วยสีหน้านี่เป็นจิตตชรูปใช่ไหมคนระับ ม, มันต้องดูว่ามองในแ ง, ง่ไหนคุณมลมีถามว่าสีหน้าเป็นจิตตชรูปไหม ก็ใช่แต่าปลารบว่าสีหน้าบึ้งหรือเปล่าบูดหรือเปล่ายิ้มหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ก็เรียกว่าเน้นไปที่จิตตะชรูปแต่ถ้าสีผิวนะสีผิวเนี่ยผิวขาวผิวดำผิวอะไรทั้งหลายแหละพวกนี้ก็กรรมาชะรูปเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> วันมันไปไาว้พระาธาตุ่ยมคนหนึ่งบอกโอ้ทำไมท่านดำจังรล้วงั้น <c oughs> <c oughs> มายังเข้าก่อนนเลยน <c> ะ <oughs> และ้วก็ แล้วก็มาว่ากันนะเออนี่รู้ไหมกับว่าผลของโทสะนะก็ว่างั้นแต่แล้วนี่เป็นล้อเรียนเดี๋ยวชาติหน้าผิวดำนะก็บอกขอโทษขอโทษเขามาเล่าให้ฟังไห <c oughs> วพระธาตุที่ไหนเลยที่พระธาตุฮริพุนชัยวันนั้นน่อ <c> ย <oughs> ท่นก็ปกติสีทั้งหลายเนี่ยสีผมสีผิวสีอะไรก็ตามเถอะมันก็เป็นที่ตั้งแห่ง โสมนัสโทมนัสอุเบขาแม้กระทั่งฟันเนี่ยนะฟันเนี่ยอะไรนะฟันที่ที่บางคนเนี่ยฟันเนี่ยเห็นฟันไหมแต่ถ้าทําฟันอีกกิริยาบางอย่างนี่กำลังมีโทสะใช่ไหมอะไรนะทำฟันยังไงแบบคนกําลังโกรธเต็มที่เลยนะกะอีกฟันหนึ่งอ่ะนะเห็นฟันอีกระดับหนึ่งนี่โสมนัสเลยเออเนี่ยฟันแบบนี้ยิ้มนะฟันแบบนี้กําลัง สีหน้ากำลังบอกว่ากโกรธเป็นต้นเนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสอุเบขานี่ถ้าบุคคลที่ไม่พิจารณาไม่อะไรเลยเนี่ยรวมๆก็เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสอุเบขาเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างตามสมควรแต่ถ้าคนที่เจริญพิจารณามากๆเช่นพิจารณาโดยปฏิกูลคนที่พิจารณาโดยปฏิกูลจริงๆเนี่ยโสมนัสนะ ถ้าถ้าบมณติการโดยปฏิกูลสัญญาอะไรจริงๆเนี่ยเขาจะโสมมณัตทำไมจึงโสงมมณัตรู้ไหมเพราะเขารังเกียจไออากุศลมากไอไอฉันทราคะเนี่ยมันทำลายปัญญาเขาโดยโดยสิ้นเชิงมันถ้าเห็นเป็นกระดูกจริงๆเนี่ยโสมมณัตไนะดีใจเออถูกหลอกมานานละเห็นความจริงสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยก็เลยดีใจอย่างเงี้ยนะพวกนี้จึงโสงมมณัตนั่นก็เป็นโสมมณัตอันนี้เรียกว่าอาศัยเนคขมะ นะถ้าไม่พิจารณานะโสมนัสแบบธรรมนาทั่วๆไปก็อาศัยกล ร, รมนะเนี่ยนะเกี่ยวกับสีเนี่ยนะสีเหล่านี้อาศัยเนยคขมมะอาศัยกรรมโทมนัสบางทีก็ทำไมกุศลไม่เจริญเช่นเคยพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นปฏิกููเห็นโดยความเป็นาธาตุต่อกสินได้ทำไมเจริญต่อไม่ได้เป็นต้นพวกนี้เป็นโทมนัสอาศัยเนคขมมะเนี่ย น, น, นะแต่ว่า เห็นหน้าเขาแล้วบอกบุญไม่รับเลยอันนี้ก็โทรมนัดทั่วๆไปอาศัยกามเนี่ยนะเกี่ยวข้องกันถูกเขาทำหน้าอะไรนะจะไปคุยด้วยกันหน่อยทำหน้าบึ้งกลับมาเนี่ยก็เลยไม่ชอบเลยแต่ถ้าทั่วๆไปนะก็อุเบกขาใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักกันเลยเดินผ่านเฉียวไปมาก็อุเบกขาแต่อุเบกขาแบบพิจารณาไหมถ้าอุเบกขาแบบมีปัญญาประกอบเรียกว่าอาศัยเนคขมมะ ท้าไม่พิจารณาเลยก็เฉยๆเขาเราทั่วไปก็อาศัยกามพันพวกนี้ก็เวทนาขันเนี่ยพวกนี้รูปขันนะใช่ไหมรูปขันเวทนาขันก็ได้สองขันนะใช่ไหมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องขันเหล่านี้เนี่ยนะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องขันเหล่านี้มันอยู่ที่สัญญาอยู่ที่สัญญาเนี่ยมาก สัญญาขันเนี่ยเริ่มนั่งอย่รูปประสัญญาเนี่ยนะเช่นเรียกว่าคนสวยในความคิดของเราเนี่ยผิวแบบไหนสีแบบไหนอะสีผมสีผิวแบบไหนสีผมสีของฟันสีของขนหรือสีของเล็บแบบไหนจึงเป็นเรียกว่าความสวยในในสเปคของคนมันนั้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าพวก รูประสัญญาพวกรูปประสัญญ า, ะญญานะมันเป็นตัวเป็นตัวแบ่งเป็นตัวแบ่งแบ่งเรื่องเนี้ยเป็นตัวแบ่งที่จะก่อให้เกิดรูปปัญหาเนี่ยนะเป็นตัวแบ่งที่จะทําให้เห็นสังขารขันคือรูปปัญหาเป็นต้นเนี่ยนะลองแบ่งนะรูปประสัญญาคือสําคัญว่าสีแบบเนี้ย เป็นอย่างไรต่อไปอรูปประสัญญาเนี่ยสำคัญทำให้เกิดรูป ป, ญ ป, ปัญหาเหนหรูปปัญหานะคือตัวดีที่จะทำให้เกิดรูปประสัญเจตนานรูปประสัญเจตนาพอรูปประสัญเจตนาเกิดสิ่งนั้นบ่อยๆก็โรปวิตก แล้วก็รูปวิจารณ์เคยพวกนี้จริงๆมันก็อาศัยพื้นเพมาจากเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรูปรูปเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสและโทมนัสหรืออุเบขาถ้ารูปเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสมากรูปเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งโสมอ่ะขออภัยเดี๋ย โสมนัตโทมั์นะรูปเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัตที่เป็นเนคขมมะรูปอันนี้เรียกว่าเป็นเนคขมมะสัญญารูปเหล่านี้นะเป็นที่ตั้งแห่งเนคขมมะสัญญาถ้ารูปเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งกาม เขเรียกว่าโสมนัตที่อาศัยกามรูปเหล่านั้นเป็นอะไรเป็นที่ตั้งแห่งกามสัญญารูปเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัตก็แ บ, แบ่งเป็นสองอีกใช่ไหมถ้าเป็นโสมนัตที่อาศัยเนคข ม, มะก็เป็นอาศัยเออโทมนัตที่อาศัยเกี่ยวกับเรื่อง โทมนัดพวกนี้นะเรียกพยาบาทสัญญาโทรมนัดบางอย่างมันใกล้ต่อวิหิงสาสัญญาถ้าจะละโทรมนัดพวกนี้ได้ต้องไงต้องเจริญอัพยาปาทะสัญญาใช่ไหมหรือถ้าจะละวิหิงสาได้ก็ต้องเจริญอวิหิงสาสัญญา พ, พัพวกสัญญาเหล่านี้ก็กเชื่อมมาจากเวทนาเป็นหลักนนะซึ่งเวทนาเหล่านี้ก็อาศัยสัญญานั่นแหละเป็นเป็นปัจจัยที่สำคัญเนนะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อเวทนาเบื้องแรกเลยนะเวทนาเนี่ยสำคัญต่อสัญญาหลังจากนั้นสัญญาก็เป็นตัวสำคัญต่อเวทนานี้เวทนาทั้งหลายโดยปกติพระองค์แสดงว่าเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิด ตันหาก็ชอบในในสีเหล่านั้นเหล่านั้นเป็นต้นเนี่ยนะชอบในสีเหล่านั้นเหล่านั้นถ้าเมื่อเป็นความชอบในสีทั้งหลายด้วยอำนาจอากุศลสัญญาหรือด้วยอำนาจเวทนาที่อาศัยกามพอตันหาชอบอย่างนี้นะเจตนาว่าไงเจตนาโดยมากก็บอกว่าเป็น วจีสันเจตนาใช่พูดถึงค่าสีไหนที่เราประทับใจมากเราจะพูดถึงสีนั้นมากสมมติถ้าดอกชอบดอกไอ้หงเหินเนี่ยมากไห ม, มันก็จะพูดถึงดอกอันนี้บ่อยเพราะด้วยอำนาจอนุภาพของอะไรรูปปัญหาแล้วจะพูดถึงบ่อยๆด้วยอำนาจรู ป, ปรสันเจตนาเออนี่มีที่อยู่หน่อยหนึ่งปลูกได้ไหม ก็ไปขอพันเขามาปลูกก็เป็นกายสัญเจตนานไก็เป็นทางกายวาจาและใจสภาพจิตก็ครุ่นคิดถึงสิ่งเหล่านี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นกิจกรรมมันก็วนๆอยู่ก็เป็นกิจกรรมของของขันห้านั่นเองอันนี้พึ่งพื้นฐานการวิเคราะห์แยกแยะอันนี้เราต้องต้องดีเลยเนาะถือคืออันนี้มันเป็นโครงสร้างของ ของชีวิตที่เราต้องทำความเข้าใจเพราะอันนี้เป็นอะไรปริญญาเป็นเป็นแค่ยาตะปริญญาเท่านั้นนะยังยังไม่ใช่ไปลึกซึ้งอะไรที่ไหนหรอกแล้วศึกษาอีกสำคัญว่าพวกนี้เป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปข้างหน้าเซึ่งความเป็นไปแห่งขันเหล่านี้อนะเมื่อวานได้ก ล, ล่าวถึงว่าเมื่อวานนะเมื่อวานจะไม่ใช่ในห้องนี้นะอีกห้องหนึ่ง พิจารณาขันห้าในทวารหกอันนี้ยกมาหนึ่งทวารนานะเพราะขันได้ ย, ยตะนะมันใต้กันอันเราพูดขันห้าในทวารตานี้เราพูดทวารตานะเพราะบางอย่างดีในทวารตาจริงแต่ว่าทวารหูใช้ไม่ได้เลยนะเนบางอย่างดีในทวารตาทวารหูจริงแต่ทวารจมูกแย่มาก ทวานตาดีทวาลหูก็ดีแต่ทวานจมูกไม่ดีนี่มีไหมอาหารบางอย่างแต่โลกของอาหารเนี่จ ะ, ะตาหูจมูกดีแต่รสห่วยมากเนี่ย ก, ก, ก็พวกอาหารทั้งหลายเพราะคำว่าคาในในสิ่งเหล่านี้นะก็อมของอมคำว่ารูปเนี่ยอันนี้เราพูดถึงรูปที่มีกรร ม, มสมุดฐานเป็นหลักใช่หและรูปสมุดฐานอื่นๆก็ในยะเดียวกันอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่าง ก็เลยต้องพิจารณาขันทั้งห้าเหล่านี้ในในทวารหกเพราะฉะนั้นอวิชาอันนี้เบื้องแรกเป็นการทําความเข้าใจในนะฝึกทําความเข้าใจซึ่งพอลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมันเยอะจริงๆที่เรียกว่าถ้าสมาธิตอนแรกไม่ดีนะสมาธิไม่ดีมันประกาศถึงว่าจําไม่แม่นด้วยเพราะคําว่าสมาธิสับว่าสมาธินี่มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ผู้ที่มีสมาธิดีนะสติสติกับวิริยะดีคื อ, อสังเกตดูนะเรื่องไหนที่เราจำไม่ค่อยได้นะเรื่องนั้นฟุ้งเลยใช่อารมณ์ไหนที่เราเราจำไม่ค่อยได้นะส่วนใหญ่นึกถึงสิ่งนั้นเราเริ่มสายแล้วเพราะฉะนั้นตัววิริยะกับตัวสติเนี่ยทำให้สมาธิดี ทันที่ใดพูดสติที่นั่นก็พูดสมาธิแล้วที่ใดพูดสมาธินะสติกวิริยะต้องต้องดี <c oughs> นิย้อนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าพิจารณาขันห้าอย่างนี้ในทวารหกเมื่อพิจารณาอย่างทวารหกก็มองเห็นความเป็นไปคือปฏิจจสมุป บ, บาทนะก็มองเห็นเป็นอะไรกรรมวัฏ วิปากวักิเลสวัฏแต่ถ้าเนี่ยพวกเวทนาที่เราพูดถึงตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรวะตะพวกสีสีทั้งหลายเหล่านี้กับเวทนานะโดยมากเป็นมุ่งอธิบายวิปากวัฏเป็นหลักะมุ่งอธิบายวิปากวตฏเมื่อวิปากวตฏเกิดอย่างนี้แล้วก็ต้นเหตุก็ต้องมาจากกรรมใช่ไหมพอได้รับวิบากที่เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัตโทมณัต กิเลสวัตถ์ก็เกิดพอกิเลสวัตถ์เกิดเจตนาเกิดเรียกว่ากรรมวัตถ์เนี่ยนะก็เป็นกรรมวัตถ์อักมิชช่วก็เรียกว่าชีวิตในหนึ่งขณะเนี่ยนะในช่วขณะเห็นขณะได้ยินก็ยังได้วัตตะสามนะนะชีวิตเนี่ยแค่หนึ่งครั้งเนี่ยก็ประกอบด้วยวัตตะสามพันท่าแค่ลืมตามองเห็นสมมติลืมตามองเห็นเสื้อขาว ก็ประกอบด้วยวิปากวัฏกิเลสวัฏและกรร ม, มวัฏแล้วเราเห็นแต่สีเดียวหรือชั้นชีวิตอย่างนี้จึงต้องสาวไปในอดีตอนาคตและปัจจุบันใช่ไหมก็เลยเชื่อมมีการเชื่อมไปในอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อเชื่อมโยงเข้าไปในอดีตอนาคตปัจจุบันก็เห็นความเป็นไปแห่งขันห้าขันห้าในขันห้าก็เพราะเป็นกองไง เนื่องจากอดีตอนาคตปัจจุบันทั้นแสดงว่าทวารหก็เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้นความเป็นปฏิจจสมุปบาทเชื่อมโยงกันก็ต้องทั้งเชื่อมกันระหว่างอดี ต, ตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลเมื่อมองเห็นอย่างนี้ดีสมุทยาสัจจะก็จะเริ่มดีขึ้นเป็นการพิจรารณา สมุทยัยสัจจะคือความเป็นไปของของอะไรของวตะเนี่ยนะก็เห็นความเป็นไปของวตะต้องไม่ลืมระบบที่เราพูดทีแรกว่าปัญหาที่เราเรากลัวเราเกลียดเราไม่ชอบจริงๆอะ่ะคือไม่ชอบอะไรก็คือไม่ชอบทุกข์ใช่ไหมชาติตุกเป็นต้นเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มี ชราเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดามันเป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตอย่างมากทีนี้ทํายังไงหนอที่สุดแห่งทุกข์จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้คุณชูศรีทําไงที่สุดแห่งทุกข์จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ะนะซึ่งอาจที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยนะ ที่กล่าวมาทั้งหมดเครียกว่าทําความรู้จักทุกข์ที่มันมีอยู่ที่ที่สูตรเขามีว่าพิจารณาอย่างไรเนอะจึงจะดับตัณหาได้ก็รู้อยู่แล้วไหมว่าต้นตอแห่งทุกความเป็นไปแห่งทุกคือรูปตัณหาเป็นต้นเนี่ยนะรู ป, ปรตัณหารู ป, ปรตัณหาว่ารวมๆเราชอบอะไรชอบผิวชอบผมชอบฟันชอบขนชอบเล็บชอบอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะว่ารวมๆคําเหล่านี้เรียกว่า รูปก็ตามเห็นรูปเลยอันนี้จังเนี่ยนะแดังที่กล่าวว่ารูปอันนี้เนี่ยนะถ้าโชคดีถอดหลงตาอ่า ถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ยนะก็ตามเห็นรูปเหล่านี้โดยความเป็นอันนี้จังนะอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากคือส่วนที่พระองค์จำแนกธรรมะในสาวกทั้งหลายเนี่ยนะว่ารูปังอันนี้จังรูปไม่เที่ยงถึงจะรูปมาดีแค่ไหนรูปอะไรยังไงก็ตามรูปังอันนี้จังรูปไม่เที่ยง รูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเวทนาอนิจจาเวทนาก็ไม่เที่ยงพวกทั้งรูปเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาและสัญญาแห่งรูปแห่งเวทนาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาเพราะสีเนี่ยมันเป็นเรียกว่าอะไรนะสีสัตว์รูปประสัญญาในสีขาวก็อย่างหนึ่งสีเหลืองก็อย่างหนึ่งเป็นต้นสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงตัณหาเจตนาวิตกวิจารณ์นี้เรียกว่า สังขารไม่เที่ยงเนี่ยนะแล้วพวกเวทนาสัญญาสังขารเหล่านี้เกิดร่วมกับอะไรก็ร่วมกับจิตวิญญาณังอา น, นิจจังวิญญาณไม่เที่ยงเนี่ยนะก็ไอคําว่าไม่เที่ยงทําไมจึงไม่เที่ยงอา น, นิจจังอะไรต่ออาจารย์งงสอนนะอ น, นิจจังแล้วสังขตังที่มันไม่เที่ยงเพราะถูกปัจจัยปรุงแต่ง ที่มันถูกปัจจัยปรุงแต่งเพราะปฏิจจธรรมมันเป็นสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นนะรูปก็เป็นสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นใช่เวทนาก็เป็นสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เรียกว่าอันนี้นจังไม่เที่ยงสังขตังถูกปัจจัยปรุงแต่งปฏิจจธรรมัอาศัยการเกิดขึ้น แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะขยะธรรมังวยะธรรมังเนี่ยนะวิปรินามังแล้วก็นิโรธธรรมังเนี่ยนะธรรมชาติของเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอ่ะ น, นะมีความไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมนามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมนามีความ ดับไปเป็นธรรมดามันหายเสื่อมไปอย่างขยะวยะนะขยะทำมังวยะธำมังมีความสิ้นความเสื่อมเป็นธรรมดาผลการพิจารณาอย่างนี้ตามเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญอานิจจสัญญาอานิจจสัญญาหรืออานิจจานุปัสสนานี่นะก็ตามเห็นอย่างนี้เรียกว่าอานิจจานุอนิจจสัญญาหรืออานิจจานุปัสสนานี่นะ ทีนี้ก็พิจารณาไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าอนิจเจทุกขสัญญาไอของทั้งหมดที่กล่าวว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงนี่แหละมันเป็นเป็นทุกทุกยังไงก็มันเป็นไปกับชาติทุกชาทุกขพญาที่ทุกมรณะทุกโสกปริเทวะทุกโทมานอุปายาทุกก็ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกด้วยใช่ไห บางสูตรก็บอกว่ามันเป็นของร้อนนะถ้ากล่าวว่าของร้อนก็คือเป็นทุกบางสูตรก็บอกเป็นของมืดไอ้ของมืดก็คือเป็นเป็นทุกข์อีกเหมือนกันแล้วก็ตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงดังกล่าวนั่นแหละว่ามันเป็นทุกข์เสร็จแล้วก็ทุกข์เขอนัตตสัญญาตามเห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละว่าเป็น อนัตตาเนื่องจากไม่มีใครมีอํานาจในสิ่งนี้จริงๆเลยนะว่าไอาสิ่งที่ไม่เที่ยงขอให้มันเที่ยงก็ไม่ได้ไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนี้ขอให้เป็นสุขก็ไม่ได้เนื่องจากขอไม่ได้เป็นต้นไม่มีใครมีอํานาจในสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะก็ตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยไม่ใช่ตนเนี่ยนะนัอตตะ ไม่ใช่ตนและก็ไม่ใช่ของตนใช่ไหมทั้งเห็นโดยไม่ใช่ตนและก็ไม่ใช่ของตนก็คือตามเห็นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังและก็อนัตตาอริยาสาวกเนี่ยนะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ก็ย่อมก็ย่อมเบื่อหน่ายในในสิ่งเหล่านี้ใช่เมื่อเบื่อหน่ายก็ก็คลายกำหนัดส่วนที่สำคัญคือทำอยังไงที่เราจะมามาเจริญได้บ่อยได้มากขึ้น นั้นกฎเกณฑ์วิชาการเหล่านี้ทํำยังไงให้มันอยู่ในในชีวิตที่เป็นจริงแล้วก็เจริญได้มากตามตามชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะนั้นก็การพิจารณาอย่างนี้แหละเป็นการพิจารณาโดยตั้งแต่นี้ไปนี่เรียกเป็นตีรณะปริญญาเนี่ยนะก็ตีรณะปริญญาแล้วก็ยาตะปริญญาเนี่ยนะนี่การเจริญดังกล่าวไปเนี่ยนะถ้ายังพิจารณาอะไรไม่มากก็สาธยายไว้ก่อนก็ยังดี ว่าจะต้องจะต้องเอามาพิจารณาแน่นอนนะแต่ว่าช่วงนี้ยังพิจารณาได้ไม่มากขอสาธยายไปก่อนก็สาธยายไว้ก่อนก็ได้เนี่ยนะั้นก็เอาทั้งสองอย่างทั้งอะไรทั้งพิจารณาจริงด้วยสาธยายด้วยเป็นต้นเนี่ยในในชีวิตให้มันบ่อยขึ้นเนี่ยนะให้มากขึ้นบ่อยขึ้นก็ก็เจริญต่อไปทีนี้พวกที่เจริญถ้าเป็นเจริญอย่างนี้ไม่ค่อยได้ ถ้าพื้นฐานเขาพิจารณาดีอันนี้คือที่พักของเขาเขาจะไปพักผ่อนด้วยการพิจารณาปฏิกูลแล้วเข้าฌานถ้าเขาจเจริญต่อไปไม่ได้นะหรืออีกในหนึ่งก็จเจริญเป็นธาตพักผ่อนด้วยการพิจารณาโดยความเป็นธาตหรือพักผ่อนด้วยการพิจารณาโดยกสินแล้วเข้าฌานอันนี้ก็เป็นเครื่องอยู่เป็นเป็นสุขทำให้เขาสบายเน่นะ ก็คือในสิ่งเดียวเขาสามารถเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปก็อุเบกขาอ่โสมนัตโทมนัตนี่ลองยกตัวอย่างว่าโสมนัตก็เป็นเลขธรมสัญญาใช่ไหม เนคขมมสัญญากับกามสัญญาทีนี้ไอ้อุเบกขาเนี่ยอุเบกขาก็อาศัยเนคขมมะก็มีอาศัยกามก็มีถ้าอาศัยเนคขมมะก็เป็นเนคขมมสัญญาเนี่ยนะถ้าอาศัยกามก็เป็นกามสัญญานะแต่ถ้าโทมนัดเลยตรงๆเนี่ยเป็นพวกพยาบาทสัญญากับเป็นไปกับพยาบาทสัญญากับวิหิงสาสัญญา แต่ถ้าเป็นเนคขมมะสัญญาก็กลับมาหาโสมมนัสหรืออุเบขาอีกตามเดิมเพราะว่าโทมนัสไม่สามารถเป็นตรงๆเลยนะตามสภาวะไม่สามารถเป็นเนคขมมะได้ คือถ้าสัญชาตญาณเนี่ยนะไม่ต้องศึกษาธรรมะเขาก็รู้อยู่แล้วทุกสิ่งเหล่านี้คือถ้าสัญญาแบบภาษาไทยกับสัญชาติญาณอันเดียวกันสัญชาติญาณกับสัญญาแบบภาษาไทยนะอันเดียวกันแต่ถ้าถ้ารู้อย่างนี้ก็ถือว่ารู้ด้วยสุตตะเนี่ยนะถ้ารู้ด้วยสุตตะเป็นต้นเขาไม่เรียกว่ารู้ด้วยสัญญา เขาเรียกว่ารู้ด้วยสติถ้าเป็นกุศลก็เรียกว่าเป็นสติถ้าเป็นอกุศลก็เป็นมิจฉาสติไปก็ถือว่ารู้ซึ่งการฟังอันนี้เนี่ยนะการทรงจำพวกนี้มันเป็นอาหารอย่างดีของสัทธินีเป็นอาหารอย่างดีของโยนิสโสมนสัสการถ้าเราละลึกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คาสอนไม่ได้ไม่รู้จะเจริญยังไงเหมือนกันนะ อย่างอย่างที่กล่าวนะเห็นรูปเนี่ยพิจารณายัางไงต่อไปรูปทันการสาธยาอาการสาสิบสองเนี่ยนะมันเป็นเป็นกิจเบื้องต้นในในพระไตรปิฎกเลยบอกว่าถ้าใครมาบวชนะต้องให้กรรมฐานอันนี้กันทุกคนเนีย่ยนะเรียกว่าตาจัญจกะกรรมฐานเนี่ยนะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาให้ก่อนปลงผมอ่าพิจารณาไปผมคนเล็บปันหนังโดยปฏิกูลเป็นต้นเนี่ยนะทันโกนปับบรรลุเลยก็มี แล้วก็หลังจากนั้นมาก็ถือว่าทุกคนก็มีกรรมฐานประจาตัวหมดอันนี้เป็นเรียกว่ามูลกรรมฐานเป็นมูลกรรมฐานเป็นปริหาริยกรรมฐานที่เป็นกรรมฐานต้องเอาไปบริหารเป็นเป็นประจาเข้าไว้นะผลแสดงว่าเขารับอารมณ์อะไรเนี่ยเกสาโลมาเป็นต้นเขาแม่นมากนะแต่ทีนี้คนที่สาธยายได้มาได้บ่อยได้มากนี่เอ อยู่ในมัชชิมนิกายนะจำไม่ได้มัชชิมนิกายมัชชิมะปันนาสอ่ะนะถ้าไม่เริ่มยี่สิบก็ยี่สิบเอดอ่ะอ่าใช่ไม่ยี่สบก็ยี่บเอ็ดอ่ะนะชื่อองคุลิมานสูตรในในมัชชิมนิกาย